ส่วนฝั่งที่เคารพคะมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพบกับพระอาจาร ย, ย์ไพบูรณ์อภิปุณโณในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวันจะนะกันแล้วนะคะน้ัมสการกระทั้งคะ่คะจรพรทราบว่าเสา ท, ที่ผ่านมาที่วัดปาดอนไยโศกก็มีการปฏิบัติธรรมเหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อแล้วมีให้ผู้ช่วยงานธรรมที่อยู่ในหลักสูตรของอการหลีกเนปฏิบัติเจ็วันเนี่ยมาประชุมกัน แล้วเราก็ให้ข้อมูลให้ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมะที่อยู่ในหลักสูตรอะไรต่างๆเหล่านี้อ๋อเพื่ออนาคตข้างหน้าท่านเหล่านี้จะไปช่วยเวลาที่มีการจัดการปฏิบัติธรรมหรืไงคะใช่จ้ะใช่ก็เป็นอ่อเขาเรียกว่าแรงงานนะทั้งทั้งงา น, นะงง แ, งงานแล้วก็ช่วยงานของวัดในการกิจกรรมการปฏิบัติอะไรค่ะพอดีได้ไปเจอโยมที่รู้จักกัน แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่กำลังจะขึ้นไปวัดป่าดอนหายโศกคะ่ะ <c oughs> ถ้าจริงค่ะแล้วก็เวลาที่เรียนที่สอนกันอยู่ในทุกๆวันนี้ <c oughs> ของวัดป่าดอนหายโศกนี่เป็นการสอนอาาปานาสติใช่ไหมคะถูกต้องก็ใช้สิ่งที่พระเจ้าเองพระองค์เองเนี่ยก็ใช้ในการก่อนที่จะตรัสรู้ก็เลยใช้อนาปานาสติ หลวงพ่อสาอาท่านก็สอนนานาปานสติมาตลอดอ๋อค่ะก็วันนี้ท่านมาร์ทนะคะได้นำพระสูตรเหล่านี้มาอ่านในช่วงต้นเห็นบอกจะอ่านไปทางอาทิตย์เลยใช่ถ้าอาจารย์คะทีนี้มาถึงเรื่องที่โลกเขาสลดโถหูกันทั้งโลกเป็นเวลาหลายวันแล้วก็คือเหตุการณ์เขาเรียกอะไรคะพิบัติภัยทางธรรมชาติที่เฮติตักนตกรรมใช่ค่ะมัน มันน่ารันทดจริงๆอะนะคะนนนะคนตายกันพร้อมๆกันเป็นเรือนแสนเลยค่ะท่านคะใช่คล้ายๆกับสึนามิเลยเ่หปีที่แล้วมันเหมือนกับว่าบรรดาภัยทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเราจะคุ้นเคยกับคำที่บอกว่าอยาประมาทนะยาประมาทจะได้ไม่เจอเหตุร้ายอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเป็นพุ้ทวัจนะนี่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่าประมาท นะคะเพื่อที่จะได้พาตัวเองไม่ต้องกลับมาสู่ความทุกข์ใหม่ใช่ไหมคะแต่ในกรณีเหตุการณ์ที่เป็นเป็นภัยพิบัติเป็นภัยทางธรรมชาติอย่างนี้ยบางคนก็บอกก็ไม่ประมาทแล้วเนี่ยอืแต่มันหนีไม่ได้ท่านคะก็เลยอยากจะให้ท่านให้ข้ออัดข้อทำที่เป็นพุทธวจนะที่จะทําให้พวกเรามีความรู้สึกว่าเราต้องทําความเข้าใจกับเรื่องแบบเนี้คะ่ะแล้วเรื่องนี้คือคนที่มาตายพร้อมๆกันเนี่ย โอเป็นหลายๆายหมื่นหลาย ๆ, ๆแสนเนี่ยมันก็อืมเป็นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆากเหมือนกันคแล้วก็คือเหมือนค้าตายตายเดียวๆคนนั้นตายคนนี้ตายอย่างเงี้ยโดยคนละเหตุการณ์ ก, กันแล้วก็ยังอฟังดูแล้วก็ยังอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยคทีนี้เรื่องนี้ยในในสมัยพุทธกาลก็มีคนที่มาตายพร้อมๆกันทีเดียวเนี่ยเป็นหลายๆเป็นหลายๆพันหลายหลายหมื่นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัส เอาไว้ที่มีเรื่องราวอยู่ในพระเตยพิดก็คือสมัยที่ตอนนั้นช่วงท้ายของสมัยพุทธกาลละพระพุทธเจา้านี่ก็อายุพระชมนม์สั้นใกล้จะแปดสิบเป็นสมัยที่พ ร, พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยไม่อยู่แล้วนะเป็นพระเจ้าวิทูลพัทเนี่ยซึ่งเป็นลูกเนี่ยได้ขึ้นมาครองราชแท น, แ ล, ลท แ, ทนแล้วก็จะบุกไปวิทูลพิทูลพระมาครองราชแทนแล้วก็จะบุกไปที่เมือง ที่บ้านเกิดของพระพุทธเจ้ า, าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรถ้าล้างโทษของอีกฝ่ายหนึง่งปราลบเหตุที่ว่าตอนนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยได้ขอนะขอนะลูกของอาสากยะตระกูลเนี่ยมาแต่งงานในตระกูลของตนเองเพื่ออยากความที่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้านะพระเจ้าเปรตที่โกศลขอบุตรสาวมาแต่งงานกับลูกชายคือพระเจ้า วิทุธัทธภะนี่แล้วทีนี้อในสักกยะตระกรูลเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะให้ตระกูลของตัวเองเนี่ยไปปนเปื้อนกับตระกูลของคนอื่นก็เลยส่งนางาธาตไปส่งนางาธาตุไปแล้วพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมีลูกออกมาก็คือพระเจ้าองค์เนี้ยซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเปรสิ่งพิโกศุลครั้งนั้นพระเจ้ า, าวิทุลัทธัภะเนี่ยก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านคือบ้านของแม่ นี้ว่าพอกลับไปถึงปุ๊บได้ทราบข่าวว่าทุกคนเขาก็ต้อนรับกันอย่างดีเจ้าชายอะไรต่างๆไม่อยู่เพื่อที่จะไม่ได้มาไหว้นางทาดลูกของนางทาตุ okay. แล้วทีนี้ก็เรื่องมีเรื่องราวมีเหตุทําให้เกิดความที่ทราบว่าอ๋อเขาเนี่ยฝ่ายนู้นเนี่ยได้เอาน้ํานมเนี่ยมาล้างที่นั่งของพระเจ้าวิจุรัตพานี <Okay. S 1> ด้วยด้วยความรังเกยียจว่าเป็นลูกของนางทาตก็เลยมีความเครียดแค้นมากก็จะส่งทัพไปตี ไปฆ่าล้างโคดพระพุทธเจ้าก็มาห้ามถึงสามครั้งสามคราวแต่ปรากฏว่าห้ามไม่ได้ห้ามครั้งที่หนึ่งก็ยท ก, กทัพมาอีกครั้งที่สองก็ไปห้ามอีกจนครั้งที่สามก็มาตรวจสอบดูว่าเอ๊ะทำไมศกนาฏกรรมนี้ถึงจะต้องเกิดขึ้น <c oughs> ก็พบว่าเจ้าศักยะต่างๆที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยได้เคยทํากรรมร่วมกันมาคือไปทํากรรมในการฆ่าปลาทั้งสระหรือเอายาเบื่อเนี่ยเบื่อปลาทั้งสระตายพร้อมกันหมดค่ะ ก็เลยทำให้มารับกรรมด้วยกันตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื <t os> <t os ่องของเหตุการณ์ที่ว่าคนมาตายพร้อมๆกันเป็นหลายแสนเนี่ยฉันก็ไม่ประมาทแล้วทําไมยังมาตายพร้อมๆกันได้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีกรรมประวัติศาสตร์เนี่ยมันมันโอ้โหมีได้ไม่สิ้นสุดเลยค่ะทีนี้วิธีป้องกันทําอย่างไรค่ะไม่ประมาททําอย่างไรเห่นไหมพระพุทธเจ้าก็พูดถึงวิธีการทํากรรมหนักอย่างที่เราได้เคยบอกมาในคราวก่อนๆของรายการนะว่าทํากรรมหนักที่เป็นฝ่ายบวช เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณมีโทษอยู่นะกรรมเนี่ยมันให้ผลแน่นอนทั้งบวกและลบกรรมไม่ดีต้องให้ผลกรรมดีก็จะให้ผลกรรมไม่ดีที่คุณทําไปเนี่ยมันต้องให้ผลแน่แต่ถ้าคุณมีกรรมดีรองรับนะผลของกรรมไม่ดีนั้นเนี่ยมันจะเบาหน่อยอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเอาเกลือใส่ลงไปในถ้วยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปในน้ําแก้วหนึ่งคนๆลองชิมดูเค็มระดับนี้ เอาเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันไปใส่ลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยานะคนคนดูชิมไม่มีความเค็มเลยหรือน้อยมากก็เพราะว่าความดีเนี่ยเปรียบเสมือนน้าของเราเนี่ยมันมากคความเค็มเปรียบเสมือนกรำชั่วเนี่ยที่เราเคยทํามาเนี่ยมันเปรียบเทียบกับความดีแล้วมันเทียบไม่ได้อมเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทดีแล้วคุณไม่ประมาทคุณยังด่าเขาอยู่ไหมถ้าด่าอยู่เลิกซะไม่ประมาทไม่ประมาททาถือศีลไหมไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ย ทำสมาธิหรือเปล่าทำสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างกำหนักไฟยบกที่ดีที่สุดเลยค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าสมมุตินะเรากำลังกลับมามองประเทศไทยเนี่ยคือพอเกิดเหตุการณ์นี้มีหลายคนถามบอกว่าเอ๊ะทำไมพวกเขาทำบาปอะไรทำกรรมอะไรถึงต้องไปเกิดในอย่างประเทศเฮติเท่าที่ติดตามจากข่าวนี่ก็คือบ้านเมืองที่ มันมีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งเรื่องการกินการอยู่ไปจนกระทั่งถึงเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองอไม่จบไม่สิน้นและยังมาเจ อ, อพิบัติภัยคือแผ่นดินไหวนี่อีกเนี่ยนะคะเขาบอกเอสงสัยคงจะทํากรรมมากกว่าเราเยอะเพราะว่าเราก็เกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะค ะ, ะข้าวก็ยังมีกินปลาก็ยังมีอาหารยังจัดได้ว่าสมบูรณ์ร้อนก็ไม่ร้อนจัดหนาวก็ไม่หนาวจัดนะคะฝนก็ไม่ได้ถลม่มทลายไป มากซะทีเดียวเว้นแต่มีคลาวเคราะห์อย่างเช่นช่วงของซึนามิทีนี้ถ้าท่านอาจารย์พูดแบบนี้ว่าการที่จะไม่ประมาทวิธีป้องกันแบบพระพุทธเจ้าคือการทำารุธรรมคือทำกรรมดีที่หนักได้ให้ผลหนักเนี่ยถ้าเกิดเราบ้านเมืองวุ่นวายอยู่ขนาดนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะหมอโดมหมอ ด, มอดูก็ดูไว้เยอะมันก็ต้อง ฟังหูไว้หูไม่ใช่ว่าให้เชื่อแต่มาอ่านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะค ะ, ะ, ะคือเขาบอกว่า Ring of f i r ฟเคยได้ยินไหมคะอ๋อเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินค่คือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแนวพื้นที่ลากจากด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ขึ้นไปบนสุดทวีปอเมริกาเหนือจรดดลาสกานะคะแล้วก็เลี้ยวผ่านช่องแคบขัวโลกเหนือวกลงมาแนวเปลือกโลกที่ญี่ปุ่นฟิลิปปินอินโดมาเลตองกา เขาบอกว่าพื either, like that that mm ้น hmm. ท mm ี่ที่ว่านี้จะครอบคลุมบางส่วนตอนใต้ของไทยด้วยอ่านมาจากหนังสือข่าวสดนะคะคอลัมน์ต่างประเทศคุณวิจักชิตรัฐเป็นคนเขียนอย่างเงี้ยค่ะคนไทยพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกันทั้งประเทศเลยเฉพะ <ท>ช่วย<ด>ให้ห ล, <ะ>ลดความเสียงทั้งหลายทั้งปวงได้ไหมคะคนไทยพร้อมกันปฏิบัติธรรมกันทั้งประเทศทำได้ไหมละ่ะทำได้ดีมากๆเลยนะระมาณมจะอนุโมทนาสาธุมากๆเลยนะคะคือเหมือนกับว่าบางทีพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างขึ้นมาใช่ๆถามว่าคนที่ยังรู้สึกชีวิตยังลื่นลมอยู่ไอ้นั่นมันก็เกิดซกโลกโน้ตว่าอีกไกลคงจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ อาจจะไม่คิดอะไรมากไม่แน่หรอกแต่แต่ตัวของฉันเองี้มีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะคะว่าเออความตายนี่มันมาถึงคนไม่รู้ตัวเลยนะนี่แน่เลยแล้วก็ใครช่วยใครไม่ได้สลดใจนะคะที่บอกว่าพอต่างคนต่างก็เดือดร้อนประธานาธิบดีเองก็บ้านช่องไม่มีนะคะแม้กระทั่งทำเนียบรัฐบาลก็พังรัฐมนตรีนักการเมืองก็ตายกัไปเยอะแยะเนี่ยความช่วยเหลือก็เข้าไม่ได้ใช่ค่ะลองเอาแค่ไม่ต้องเห็นภาพนะคะ หลับตาว่าเอามือไปคุยเพื่อช่วยชีวิตคนหรือว่าดิฉันเห็นเขาไปรองน้ำกันแล้วก็มีอาการแย่งกันแล้วมีจลาจนแล้วเนี่ยเมืองไทยเราก็มีปัญหาทางเรื่องของการเมืองอยังไม่สงบนะคะแถมยังเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเกิดพิบัติภัยได้แบบคนอื่นเหมือนกันประมาทไม่ได้ต้องเร่งหันเข้ามาชักชวนกันว่าให้ปฏิบัติธรรมกันเยอะๆใช่อย่าประมาทก็คือ ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่วาระจิตของเราถูกไหมถ้าเราเนี่ยเป็นคนถือศีลอยู่ล้นะพูดก็ดีไม่ด่าใครไม่ว่าใครจิตของเรานะเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในกายมีสติอยูุ่ตลอดเวลานี่คือคุณปฏิบัติอยู่แล้วค่ะนะปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ในที่ทํางานที่ไหนก็ทําได้ตลอดนี่คือผู้ไม่ประมาณ์ํารงบินทรีย์อยู่อันนี้ถึงจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์เป็นดินไว้เฮติเนี่ยอ่าก็ได้ธรรมของพระพุทธองค์ไปข้อหนึ่งจําได้ว่า มีผู้ทวจนะที่ตรัสถึงโอกาสที่มนุษย์จะปฏิบัติเพื่อไปสู่ความไม่ตายอีก เ, ออเนี่ยบอกว่าเราประมาทไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าภัยอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบว่าจำมาผิดหรือเปล่าคะดี่ฉันก็คือว่าความตายเนี่ยมันมันไม่แน่ไม่นอนนะพรธเจ้าเตือนให้ประเนี่ยให้เราลึกอยู่เสมอว่าเอ๊หายใจเข้าช่วระยะหายใจเข้าแล้วยังไม่ถหายใจออกเนีย ถ้าเราคิดว่าไอ้ความตายจะมีแก่เราเนี่ยนะให้พึงรีบปฏิบัติตามคําสองของพระผู้มีพระภาคหรือว่าหายใจออกจนไม่ทันจะหายใจเข้าอาจจะตายได้เนี่ยแล้วให้รีบปฏิบัติตามคําสองของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนี่แหละคือผู้ที่แหมเจริญมรณาสติอย่างที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นเวลาที่อย่างที่ท่านมาได้อธิบายเมื่อตอนต้นเนี่ยคือท่านมาได้อธิบายสิ่งเรื่อง การากายานุปัสนาสติปทานตูปะการมีสติอยู่ในกายเพราะงั้นการที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพอมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเราต้องหายใจอยู่ทุกวินาทีอยู่แล้วพอมามีสติอยู่ตรงนี้เนี่ยพระพุทธาบอกว่าเนี่ยแหละคือกายในกายทั้งหลายคนที่มีสติอยู่ในกายนะโอ้โหมีประโยชน์อย่างมากพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าสามารถทําให้เป็นอริยบุคคลขั้นไหนก็ได้ทั้งสี่ขั้นได้หมด คนที่เจริญกายาตาศติย่อมเป็นผู้มีปัญญาว่องไวปัญญาแหลนปัญญาจำแรกกีเรสปัญญาลึกซึ้งปัญญามากปัญญาไพบุรโอโห้หลายอย่างค่ะคือถ้าสมมุติว่าไม่คิดไปไกลถึงวิมุตก็มีปัญญาแน่นอนใช่ถ้าหากว่าปฏิบัติอานาปานาสติได้กายานุปัสนาถูกต้องอยู่กับลมหายใจอย่างนี้นะคะถูกต้องได้ลา ป, ปัจจัยมีไหมคะลาปัจจัยก็คือว่า <c oughs> เป็นส่วนหนึ่ง พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอเนี่ยเป็นผู้มีศีลสํารวมในปาติโมกไม่เหินห่างจากฌาการเผากิเลสนะแล้วก็อยู่ในวิปัสนาญาณไม่เลิกร้างจากการหลีกเล่นคือการอยู่เรือนว่างเนี่ยปัฏฐานอะไรล่ะ เ, เงินใช่ไหยก็จะได้ก็คือระบบของศีลสมาธิปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นจั ก, กายาขจารสติก็คืออยู่ในนี้เหมือนกันค่ะถ้าอาจารย์คับพอดีมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความตายจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันว่าความตาย ของคนอื่นเน่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสลดสังเวชมากแต่ถ้ามาเป็นความตายของตัวของตัวเราหรือว่าคนใกล้เคียงเราจะสลดสังเวชมากทีนี้มีผู้ถามมาในรการนะคะอยู่สมุดปราการคุณสมจิตถามว่าถ้าคนที่ถึงแก่ความตายแล้วดวงจิตไม่ได้ตายด้วยเพราะล่องลอยอยู่ในวัฏฏะสงสารมีความหมายว่าอย่างไรคะจิตเนี่ย ถามว่ามันจะตายหรือจะไม่ตายจะเกิดหรือจะดับเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุถ้าเหตุของการเกิดยังมีอยู่จิตจะต้องไปเกิดอยู่แล้ว ถ, ถามว่าการล่องลอยไปล่องลอยมาเนี่ยจิตเนี่ยมันจะต้องก้าวลงไปอยู่ในขันสักขันใดขันหนึ่งคือรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารเพราะว่าจิตอยู่โดดโ ด, ดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมค่ะ <c oughs> ต้องมีสี่ขันเนี่ยเป็นที่เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณหรือฐานที่ตั้งของจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จิตล่องลอยไปเนี่ยคํานี้ ที่เขาหมายถึงเนี่ยถ้าโดยพุทธวจนะก็คือว่าการที่จิตจะต้องไปก้าวลงสู่นามรูปสักอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเพราะเหตุของการก้าวลงเหตุของการเกิดยังมีอยู่อือะไรเป็นเหตุของการเกิดของจิตค่ะเหตุตัณหาอภิชานาั่นแหละค่ะเอทีนี้ในที่นี้เนี่ยบอกว่าถ้าคนถึงแก่ความตายแล้วดวงจิตไม่ได้ตายด้วยเพราะลอยอยู่ในวัตฏะสงสารคือยังไม่ทันก้าวลง อย่างนั้นหรือไงคะวัฏฏสงสารคืออะไรวัฏฏะสงสารก็คือนี่แหละที่เราอยู่นี่แหละโลกทั้งหมดเลยจากดวงดาวดวงไหนก็แล้วแต่ก็คือระบบวัฏฏะสงสารทั้งหมดเทวดาอินพรหมนรกกาเนิดเดราาัจฉานเปรตวิสัยนี่เป็นวัฏฏะสงสารหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่เขาพูดถึงว่าจิตเนี่ยไม่ได้ตายด้วยเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้ดับไปเลยโดยสิ้นเชิงก็ยังต้องไปเกิดอยู่เพราะถ้าเกิดเป็นอะไรล่ะ จะเกิดเป็นวิญญาณที่เป็นผีใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเปรตที่มาให้เห็นได้บ้างไม่เห็นได้บ้างรับส่วนบุญได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าจะเกิดเป็นเทวดาอินพรมจะเกิดเป็นสัตว์เดราัชานไอพวกสถานภาพเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสถานภาพที่อยู่ในภพใดสักภพหนึ่งเพราะว่าเขายังมีเหตุแห่งการเกิดที่สามารถไปเกิดในภพนั้นๆได้ค่ะก็หวังว่าคุณสมจิต จากสมุดปราการก็คงจะได้รับความกระจากกันไปโดยพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอภิปุล โ, โนนะคะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งค่ถ้าถามว่ากายเนี้ยเปไหนค่ะพอกายนี้ถึงความแตกดับของมันใช่ไม่มมันก็จะกลับคืนสู่โลกคือสู่ธาตุดินน้ําไฟลมเหมือนเดิมส่วนจิตนี้ก็จะต้องไปเกิดใหม่เอาอะไรไปตัวเกิดก็เอาธาตุดินน้ําไฟลมนี่แหละเป็นตัวเกิดไปก้าวลงสู่กายพันธุใหม่ได้อัตภาพพันธุใหม่ตามแต่กรรมที่ทํามาค่ะวันนี้ ก็คงจะได้เวลาในการจัดรายการเพียงเท่านี้นะคะท่านอาจารย์คะเพราะว่า เ, เวลาใกล้จะหมดแล้วท่านฟังคะท่านกาลังฟังรายการสันสนีสนทนาและที่ดิฉันกำลังสนทนาด้วยอยู่ก็คือพระรอาจารย์ไพบุญอาจิปุญโนแห่งวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีน้มัสการขอบพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้นะคะ<ด>ค่ะและสำหรับรายการของเราเนี่ยนะคะ ท่านจะสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำสัปดาห์ละห้าวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีดิฉัน ส, มสัมินาพงดำเนินรายการท่านที่ต้องการจะรับหนังสือพุทธวนจะนะอานาปานาสติแจกให้สัปดาห์ละห้าเล่มวันละหนึ่งเล่มติดต่อเข้ามานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022690006พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ